บุ๊กทูแปดสิบเอ็ดอนออซดอดีตการหนึ่งเรเทลอเอนเขียนพิซัตี เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ On j e n a p i s a l pismo และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ In ona e n a p i s a l a r a z g l e d n i t s อ่าน Brati เขาได้อ่านมิตยสาราหนึ่งฉบับ ยบรารวิและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม in on ยบร a าลาค g o หยิบเเขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนเซวเยซกร์เรโต เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิน้น z e l a je k o u s k e čokolade เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ On je biu nezvest, ona pa zvesta เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน On je biu l e n ลเขาจนแต่เธอรวยอ๋อบเรฟันอ๋อนะปาโบเขาไม่มีเงินมีแต่หนี้อ๋ ni อมิเดนาพัชปาเเขาไม่มีโชว มีแต่โชคร้าย On nī emeus r i c e ปัจจุบัสมลเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลว On nī biu u s p e s e n ปัจจุบันยังไม่ประเขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ On nie bie zdowolion, patch paje bie n e z d o w o l n เขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุก e ข์ On n e bie s r y c e n patch paje bie n e s r e n เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร On nibius y m p a t h i c i e n แต่ไม่ใบิวแอนติพาริเชน